คาถาอนุโมทนาการถวายวิหารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาเศรษฐีชาวกรุงราชครึกด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าวิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้น ยังป้องกันงูยุงและฝนในคราวหนาวเย็นนอกจากนั้นยังป้องกันลมและแดดอันร้อนจัดที่เกิดขึ้นการถวายวิหารแก่สงเพื่อหลีกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพินิจและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่า